เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีมนาคมพุทธศักราช2553เป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ทางราชการจึงได้กำหนดให้เป็นวันหยุดเพื่อให้ญาติโยมได้มีโอกาสมาวัดเพื่อมาทำบุญเพื่อมาสร้างกุศลให้แก่ชีวิตจิตใจเพราะบุญกุศลี้เป็นสิ่งที่ สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิ ต, ตจิตใจเปรียบเป็นเหมือนอาหารใจถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลก็จะมีแต่ความหิวความอยากความกระหายเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารถ้ามีบุญมีกุศลใจก็จะมีความอิ่มเ อ, อิบมีความสุขมีความพอ จะมีมากมีน้อยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่คำว่าพอถ้าไม่รู้จักคำว่าพอหรือไม่มีความพออยู่ในใจต่อให้มีมากเพียงไรก็ยังรู้สึกยังต้องการยังมีความอยากยังมีความหิวอยู่ <Yeah. S 1> นี่คือธรรมชาติของใจใจนี้ จะสุขหรือจะทุกข์นี่อยู่ที่ความพอหรือไม่พอถ้าพอใจก็จะมีความสุขถ้าไม่พอใจก็จะมีความทุกข์ความพอนี้เกิดจากการทําบุญจากการสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี้จะไประงับดับความหิวความอยากต่างๆ คือความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นซึ่งเป็นปัญหาหรือเป็นเหมือนเชื้อโรคของจิตใจถ้ามีความอยากทั้งสามประการนี้ใจก็จะมีโรคคือความทุกข์ความวุ่นวายใจความไม่สบายใจคอยมา รเราจิตใจอยู่ตลอดเวลาและเวลาที่มีโรคนี้เกิดขึ้นแทนที่เราจะเอายาคือธรรมโอสถมารักษาใจเรากับเอายาพิษมารักษาใจคือเราไปทำตามความโลภตามความอยากเราอยากได้อะไรแทนที่จะ ตัดความอยากเรากลับไปทำตามความอยากเช่นเราอยากดื่มสุราแทนที่เราจะตัดความอยากดื่มสุราเรากลับไปดื่มสุราเพราะคิดว่าดื่มสุราแล้วจะดับความทุกข์ความกังวลใจความไม่สบายใจหรือความหิวได้แต่มันก็ดับได้เพียงชั่ว ช่วงที่ไปดื่มเท่านั้นเองแต่พอหลังจากนั้นไปไม่นานเช่นวันรุ่งขึ้นก็จะอยากดื่มอีกนะก็จะแทนที่จะดับความทุกข์ใจกับเพิ่มความทุกข์ใจให้มีมากเพิ่มขึ้นเพราะจะต้องดื่มมากขึ้นกว่าเดิมถึงจะรู้สึกว่าพอถ้าดื่มเท่าเดิมแล้ว ร, รู้สึกว่า ยังไม่ถึงใจยังไม่พอใจคนเราจรึงมักจะเริ่มจากน้อยไปหามากตอนต้นก็เดือนวันละแก้วสองแก้วแล้วก็สามแก้วต่อไปก็ครึ่งขวดต่อไปก็เต็มขวดนี่คือการรักษาโรคใจที่ไม่ถูกต้องการรักษาโรคใจคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากนี้ ต้องรักษาด้วยการยับยั้งความอยากต้องฝืนความอยากถ้าเราฝืนความอยากได้แล้วความทุกข์ก็จะเบาลงไปความอยากก็จะเบาลงไปเช่นวันนี้เราฝืนความอยากดื่มสุราได้พรุ่งนี้ความอยากดืม่มก็จะไม่รุนแรงจะเบาลงไปตามลําดับ พอเราฝืนได้ไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ความอยากก็จะหายไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากดื่มสุรามารบกวนจิตใจดูคนที่เขาไม่มีความอยากดื่มสุรากับคนที่อยากดื่มสุราดูว่าใครจะสบายกว่ากันใครจะได้เปรียบกว่ากันใครจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน คนดื่มสุรานี้มีแต่เสียเสียเงินทองเสียเวลาเสียทรัพย์เสียเสียสุขภาพร่างกายและเสียสุขภาพจิตมีแต่เสียอย่างเดียวคนที่ไม่ดื่มสุรานี้เงินที่ต้องเสียกับการไปซื้อสุรามาดื่มก็ไม่เสียเวลาที่จะต้องหมดไปกับการดื่ม แล้วก็การหลับนอนเลยเวลาเกินเวลาที่จำต้องหลับนอนสุขภาพก็ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายก็ไม่เสียสุขภาพทางจิตใจก็ไม่เสียใจกับมีความสุขมีความสบายใจอยู่เฉยๆก็ไม่กระสับกระส่ายเหมือนกับคนที่อยากจะดื่มสุรา พอเกิดความอยากดื่มสุราแล้วก็จะเกิดอารมณ์กระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของความอยากถ้าเราอยากในสุรานี้เราเรียกว่าเป็นกามะตัญหาคือความอยากในกามกามนี้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสและผลทัพะ คือสิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายของเราถ้าเรามีความอยากสุรานี้ก็แสดงว่าเรามีการมาทันหาเพราะเราอยากจะลิ้มรสของสุราเราอยากจะให้สุราเข้ามาสัมผัสกับร่างกายของเราด่มเข้าไปในท้องเราแล้วทำให้เรามีความรู้สึกดีขึ้นมา ี่เรียกว่าเป็นกามตันหาถ้าเรายังไม่สามารถตัดกามตันหาได้เราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดการติดยาเสพติดนี่ก็เป็นกามตันหาอย่างหนึ่งก็เพราะต้องเอายาเสพติดนี้เข้ามาสู่ร่างกายให้ร่างกายได้สัมผัส เมื่อเราติดแล้วเราก็จะกลายเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้ไปเราจะไม่มีทางที่จะเจริญหรือพัฒนาหรือหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการมาตัญหานี่แหละเป็นผู้ดึงให้เราต้องมาเกิดในการมาพบการมาพบก็คือพบของผู้ที่ ยังต้องเศษกลามอยู่ต้องเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะกามาพบนี้มีมีทั้งสองชนิดคือกามาพบการที่เป็นส่วนยหญ่เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่ต้องดูด้วยตาด้วยหูได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยลิ้นดมด้วยจมูกและสัมผัสด้วยร่างกาย นี่คือกามคุณที่เรียกว่าเป็นกรรมคุณส่วนใหญ่ส่วนกรรมคุณอีกชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดละเอียดเราเรียกว่ากามะทิพย์คือรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์ซึ่งจะต้องเป็นใจผู้สัมผัสใจที่ไม่มีร่างกายเช่นพวกเทพทั้งหลายนี้เขาเป็นกายทิพย์เขาจะสัมผัสกับ รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์จะเปรียบเทียบให้ฟังว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์นี้กับใจทิพย์นี้เป็นอย่างไรกายทิพย์นี้เป็นอย่างไรเช่นเวลาตอนที่เรานอนหลับเราก็หลับตาเราก็ไม่ได้ยินเสียงแต่ใจเรายังไม่หลับไปกับร่างกายใจเราก็ยังไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่าง ไปเห็นสิ่งต่างๆไปได้รับประทานอาหารได้ไปเดินไปมีความสุขในขณะที่เราหลับอย่างนี้ก็คือใจของเรากำลังสัมผัสกับการที่เป็นส่วนละเอียดที่เรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์นี่เองแล้วก็พวกรูปทิพย์เสียงทิพย์นี้ก็มีสองส่วนส่วนที่ทำให้มีความสุข และส่วนที่ทำให้มีความทุกข์เช่นถ้าเราฝันดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นส่วนส่วนที่ให้เรามีความสุขก็เหมือนกับเราอยู่ในสวรรค์แต่ถ้าเราฝันร้ายเราก็จะเหมือนกับตกนรกนี่เป็นการมทิ์ส่วนส่วนที่ไม่ดีพบชาติจึงมีเกิดขึ้นอยู่ สส่วนด้วยกันในกามาพบนี้มีทั้งส่วนที่ดีก็คือพบก็คือสวรรค์ส่วนที่ไม่ดีก็คือนรกเวลาเราฝันร้ายนี่ก็เหมือนกับเราตกนรกเช่นฝันว่าถูกเขาทรมานเราถูกเขาฆ่าเราอย่างนี้เป็นต้นเวลาเราตื่นขึ้นมาเราจะเหงื่อแตกพลักไปเลยเพราะ เราไปสัมผัสกับรูปเสียงกินรสที่ไม่ดีนั่นเองและเหตุที่ทำให้เราต้องไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นั้นก็เกิดจากบุญกรรมที่เรากระทำกันนั่นเองถ้าเราทำบุญเราก็จะได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกิน ทิที่เป็นส่วนที่ดีที่เราเรียกว่าสวรรค์ถ้าเราทำบาปเราก็จะต้องไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ดีที่เราเรียกว่านรกนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุเพราะพระพุทธเจ้านั้นมีตาในพวกเรานี้มีแต่ตานอก คือมีตาที่เห็นรูปเสียงตาที่เห็นรูปที่เป็นส่วนใหญ่แต่เราไม่เห็นรูปที่เป็นส่วนละเอียดที่เป็นรูปทิพย์เนี่ยเรามีตาในอยู่แต่ตาในของเราตอนนี้มันมืดบอดมันถูกกิเลสอวิชชาความมืดบอดครอบงำจิตใจเหมือนกับถูกผ้าปิดตาของเราไว้ ถ้าเราเอาผ้ามาปิดตาของเราไว้ถึงแม้เราจะมีตาดีแต่เราจะไม่มองเราจะมองไม่เห็นรูปต่างๆเพราะเราถูกผ้าปิดเอาไว้ฉันใดตาในของพวกเราคือใจของพวกเรานี้ก็มืดบอดด้วยโมหะอวิชชาโมหะคือความหลงอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นความจริง เช่นไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์อย่างนี้เพราะอาวิชชาปิดไว้แต่พระพุทธเจ้านี้ท่านเอาผ้าที่พิตาในของท่านออกไปท่านสามารถกำจัดความหลงสามารถกำจัดอวิชชาให้หมดไปจากใจได้ตาของนของท่านจึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นส่วนที่เป็นส่วนทิ่ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพระนิพพานพระพุทธเจ้าจึงเดินไปสู่พระนิพพานได้เพราะเห็นเหมือนพวกเราเราอยากจะได้อะไรสมมติเราอยากจะไปเปิดตู้เย็นหาของมรรพทานแต่ถ้าเรามีผ้าปิดตาเราอยู่เราจะไม่รู้ว่าตู้เย็นอยู่ตรงไห น, น เราก็จะไม่สามารถไปเปิดตู้เย็นเพื่อเอาอาหารที่เราต้องการมารับประทานได้นี่ก็คือเรื่องของของความละเอียดของกามมคุณหส่วนละเอียดที่เราเรียกว่ากามาทิพนี้ต้องต้องมีการชำระความมืดบอดภายในใจของเราเสียก่อนเราจึงจะเห็นได้ ถ้าเรายังไม่เห็นอย่างน้อยเราก็ควรจะเชื่อผู้ที่เห็นคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายท่านเห็นนรกท่านเห็นสวรรค์ท่านเห็นบุญท่านเห็นบาปท่านเห็นความเกี่ยวข้องของบุญกับสวรรค์เห็นความเกี่ยวข้องของบาปกับนรกว่าเป็นเหตุและเป็นผลถ้าทำบุญก็จะได้สัมผัสกับสวรรค์ ถ้าทำบาปก็จะได้สัมผัสกับนรกนรกและสวรรค์ น, นี้ไม่ได้เป็นสถานที่อย่างที่เราคิดกันเราคิดว่าเราต้องเดินทางไปสวรรค์เราต้องเดินทางไปนรกแต่ความจริงนรกและสวรรค์ น, นี้อยู่ในใจของเรานี่เองเป็นผลหรือเป็นผลผลิตของการกระทำของเราเราทําความดี ใจของเราก็กลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาเราทำบาปใจของเราก็กลายเป็นนรกขึ้นมาและเราก็จะเห็นผลในตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันร้ายนี่แสดงว่าเราได้ผลิตนรกอยู่ในใจของเราพอเวลาเรานอนหลับนรกนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้สัมผัส ถ้าเราทำความดีไว้เวลาเรานอนหลับเวลาเราฝันดีก็แสดงว่าความดีของเราที่เราได้สร้างไว้นั้นได้ผลิตสวรรค์อยู่ในใจของเราให้เราได้สัมผัส น, นี่คือเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของบุญเรื่องของบาสนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใจของเราคืออะไร ใจของเราก็คือผู้ที่กําลังรับรู้เสียงที่กําลังพูดอยู่นี้ร่างกายนี้รับไม่ได้รับรู้เสียงร่างกายเป็นเพียงสื่อเป็นเหมือนไมโครโฟนคือหูนี้จะรับเสียงเข้าไปในแล้วก็ส่งไปที่ใจอีกต่อเนื่งถ้ามีใจคอยฟังอยู่ก็จะรู้เสียงนี้ว่ากําลังพูดอะไรอยู่ แต่ถ้าใจไม่ไม่ได้สนใจคือไปคิดเรื่องอื่นอยู่ถึงแม้จะได้ยินเสียงแต่จะไม่รู้เรื่องว่ากำลังพูดอะไรอยู่ดังนั้นเวลาที่เราจะฟังธรรมหรือฟังอะไรก็ตามเราต้องฟังด้วยความตั้งใจคือต้องมีสติคอยรับรู้เสียงที่เรากำลังฟังอยู่ ถ้าเราไม่มีสติเราจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อฟังไม่รู้เรื่องเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์เช่นการฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีประโยชน์อยู่ถึงหประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ส, สิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้าอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น 3. จะได้มีความสงบจิตจะมีความสงบจากการฟังธรรมสี่จะกำจัดความสงสัยไปได้ 5. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราฟังแล้วเราไม่ได้รับอนิสงส์ เหล่านี้แสดงว่าเราไม่ได้ฟังด้วยความตั้งใจถ้าเป็นแก้วน้ําก็ไม่ได้หงายแก้วไว้รองรับน้ําที่เทลงไปในแก้วเวลาเราเทน้ําลงไปในแก้วถ้าเราคว่ำแก้วไว้น้ําจะไม่สามารถติดอยู่ในแก้วได้เลยเราต้องหงายแก้วขึ้นแล้วเราจึงค่อยเทน้ําลงไปใจของเราก็เช่นเดียวกัน จะรับอ น, นิสงส์จากการฟังธรรมได้ใจต้องงายขึ้นมาด้วยสติคือต้องคอยรับรู้เรื่องที่กำลังพูดอยู่นี้อย่างต่อเนื่อง mm hmm. เมื่อเราฟังอย่างต่อเนื่องด้วยสติเราก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆที่พูดอยู่นี้ถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ตอนนี้เราก็ได้ยินแล้ว <c oughs> เช่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเป็นสถานที่ถ้าสวรรค์ก็อยู่ข้างบนถ้านรกก็อยู่ข้างล่างแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะไม่พบสวรรค์ถ้าขุดลงไปในดินก็จะไม่พบนรก พราสวรรค์ลและนรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่นั่นเองแต่เป็นสภาวะจิตใจของพวกเราที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปและเราจะสัมผัสกับนรกกับสวรรค์ได้ตลอดเวลาเวลาใดที่เรามีความว้าหุ่นขุ่นบัวทุกทรมานใจตอนนั้นเรากำลังตกนรกแล้วเวลาใดที่เรามีความสุขมีความสบายใจ ตอนนั้นเราได้ขึ้นสวรรค์แล้วเพียงแต่นรกและสวรรค์ของเรานี้มันเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์ของเราถ้าเรามีอารมณ์ดีเราก็มีสวรรค์พอมีอารมณ์ไม่ดีเราก็มีนรกเข้ามาแทนทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราต้องสัมผัส ร, รับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นตัว ปลก็ดารโลกหรือสวรรค์ให้เกิดขึ้นมาในใจของเราเช่นเวลาเราไปสัมผัสกับสิ่งที่เราชอบเราก็เกิดความสุขขึ้นมาเป็นสวรรค์ขึ้นมาเวลาเราไปสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เกิดความไม่สบายใจไม่พอใจเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้ ให้อยู่ในส่วนที่ดีคือให้คิดดีอยู่เสมอให้สร้างอารมณ์ดีอยู่เสมอเราก็จะสามารถมีความสุขมีสวรรค์ได้ตลอดเวลาการที่พวกเรายังไม่สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักคิดเราไม่รู้จักมองสิ่งต่างๆเรามองสิ่งต่างๆแล้วเราก็ถูกสิ่งต่างๆนั้น หลอกให้เราดีใจบ้างเสียใจบ้างเพราะว่าเราไม่รู้จักมองเราไม่ได้มองด้วยด้วยตาด้วยปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงมองถ้าเรามองอย่างพระพุทธเจ้าเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเช่นเวลาเราได้อะไรมาเราจะมีความสุขใจ แต่เวลาที่เราเสียอะไรไปเราจะมีความเสียใจแต่ถ้าเรามองแบบพระพุทธเจ้าเราจะมีความสุขทั้งเวลาที่ได้รับมาและเวลาที่เสียไปเพราะเราจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับมันไม่ได้มันจะมาเราก็ห้าม ม, ม, าามันไม่ได้มันจะไปเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราทำใจของเรา ให้เฉยๆไว้เท่านั้นเองแล้วเราก็จะไม่สุขไม่ทุกข์เราจะไม่วุ่นวายไปกับการได้และการเสียไปเราจะมีความสงบซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการดีใจเพราะการความสุขที่เกิดจากความดีใจนี้จะต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะมันเป็นส่วนเดียวกันมันเป็นเหมือนเหรียญ เหรียนี้มีสองด้านมีทั้งหัวและมีทั้งก้อยสิ่งที่เราได้มาก็เช่นเดียวกันมันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์เวลาที่เราได้มาแล้วเรามีความสุขนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เสียมันไปนั่นเองหรือสิ่งที่เราได้มามันไม่ได้เปลี่ยนไปถ้ามันเปลี่ยนไปจากดีเป็นไม่ดีเราก็จะมีความทุกข์ตามมาทันที นี่คือการมองที่เรามองไม่เห็นกันเราจะมักมักจะมองด้านเดียวเราจะมักจะมองในส่วนที่ดีเสมอเราไม่เคยคิดถึงส่วนที่ไม่ดีที่มีตามมาด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามได้อะไรมาใหม่ใหม่มันก็ดีทั้งนั้นแต่เราไม่คิดว่าเมื่อเราใช้ไปหรืออยู่กับมันไปแล้วมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากใหม่ก็จะกลายเป็นเก่าไปจากของดีก็จะกลายเป็นของเสียไปเราไม่ได้คิดถึงส่วนนั้นพอมันเกิดไม่ดีขึ้นมาหรือมันเสียไปหรือหายไปทีนี้ความทุกข์ก็ตามมาทันทีเจนเวลาเราซื้อรถยนต์คันใหม่มาเราก็ดี อ, อกดีใจแต่พอไปขับชนกันขึ้นมาทีนี้ก็ปวดหัวแล้วเสียใจแล้ว แล้วถ้าไปจอดแล้วถูกเขารักขโมยไปก็ยิ่งเสียใจอะ่ะนี่คือส่วนที่เราไม่คิดเราไม่มองกันคือเรามองเพียงแต่ส่วนที่ดีเราไม่มองส่วนที่ไม่ดีเราจรึงต้องมีความทุกข์สลับกับความสุขไปเราจรึงต้องขึ้นสวรรค์และตกนรกสลับกันไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าดูสิ่ง ต, าตา่างๆ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงดูก็คือดูตามความจริงของเขาเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีมาด้วยกันเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านมีทั้งหัวมีทั้งก้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสไม่ว่าจะทางตาหูจมูกนิ้วกายก็มีทั้งส่วนดีและส่วนที่ไม่ดี ควบคู่กันมาเสมอถ้าคนฉลาดเวลาได้สัมผัสจะเป็นส่วนดีหรือส่วนไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะเฉยๆจะทำใจนิ่งไม่ไปไม่ไปยินดีไม่ไปเสียใจแต่ถ้าคนที่ไม่ฉลาดไม่รู้จักทำใจให้นิ่งเฉยเวลาสัมผัสสิ่งที่ถูกใจก็ดีใจ พะสิ่งที่ถูกใจเปลี่ยนไปหายไปก็เสียใจนี่คือปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้พวกเราไม่รู้จักวิธีสร้างสวรรค์สร้างพระนิพพานด้วยการทำใจของเราให้นิ่งเฉยกับการสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆเช่นเวลาคนเขาชมเราเราก็หมดที่จะดีใจไม่ได้เวลาคนเขาตําหนิเรา เราก็อดที่จะโกรธอดที่จะเสียใจไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่คำตำหนิและคำลินทาก็เป็นเพียงเสียงเท่านั้นเองเสียงนี้มันมีอิทธิพลมากจนกระทั่งทำให้เราดีใจหรือเสียใจได้หรืออย่างไรเราเป็นเหมือนจิงหรือที่ถูกเขาปั่นหัวเอาเวลาได้ยินเสียงดีที่ชอบอกชอบใจก็ ด, อกดีอกดีใจ เวลาได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจก็เสียอกเสียใจความจริงมันก็เป็นเสียงเหมือนกันมันไม่มีดีไม่มีชั่วมันอยู่ที่เราไปแปลความหมายเองเราไปให้ความหมายมันเองว่าเสียงนี้ดีเสียงนี้ไม่ดีพอเสียงดีเราก็ดีอกดีใจพอเสียงไม่ดีเราก็เสียอกเสียใจดังนั้นเราจึงควรที่จะมาปรับความเห็นความรู้ของเราใหม่ ว่ามันเป็นเพียงเสียงเท่านั้นมันไม่มีดีมันไม่มีชั่วเราอย่าไปให้ความหมายกับมันวิธีที่จะทำให้เรากลับสมดุรณ์นี้ได้ก็คือเราต้องพยายามฟังเสียงที่เราไม่ชอบเช่นเราไม่ชอบเสียงคนด่าเราเราก็หัดดา่าด่าตัวเราเองเราไม่ชอบคำด่าแบบไหนก็ด่าเราไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวก็ด่าตัวเราไปเรื่อยๆ ให้มันชินกับเสียงให้มันชินกับคาําด่าถ้าเราดา่าตัวเราไปเรื่อยๆตนมันชินแล้วต่อไปมันก็จะเฉยต่อไปเวลาใครด่าเราเราก็จะรู้สึกเฉยๆแล้วส่วนเสียงที่เราชอบเราก็อย่าไปฟังมันพยายามอย่าไปฟังเสียงที่เราชอบแล้วต่อไปเวลาไม่มีเสียงที่เราชอบเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจ นี่ก็คือวิธีที่เราจะสามารถสร้างสวรรค์สร้างความสงบคือพระนิพพานให้กับใจของเราได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีมองสิ่งต่างๆรู้จักวิธีสอนใจให้วางเฉยให้ได้และวิธีที่ฝึกทําใจให้วางเฉยนี้ก็คือการนั่งสมาธินี้เองเวลาเรานั่งสมาธิเราจะ ปลอบใจของเราให้สงบไม่ให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานใจก็จะสงบใจก็จะวางเฉยได้แล้วเมื่อเรารู้จักวิธีวางเฉยจากการทำสมาธิแล้วต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิแล้วเราไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็คอยสอนใจว่า อยากไปดีใจอยากไปเสียใจทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้เป็นนิ่ ง, งเฉยเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิจะมีความสุขมากกว่าแล้วเราก็จะทำได้ในลำดับต่อไปแล้วต่อไปใจของเราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์อีกต่อไปจะไม่มีความอยากเห็นอยากฟังหรือจะไม่มีความอยากไม่เห็นไม่อยากไม่ฟัง จะรับได้ทั้งสองส่วนจะเห็นก็ได้จะไม่เห็นก็ได้จะได้ยินก็ได้จะไม่ได้ยินก็ได้เหมือนกับเรายอมรับสิ่งต่างๆเช่นความมืดกับความสว่างกลางวันกับกลางคืนเรายอมรับมันได้กลางวันเราก็รับมันได้กลางคืนเราก็รับมันได้อากาศเราก็รับมันได้อากาศร้อนเราก็รับมันได้อากาศหนาวเราก็รับมันได้ เพราะเราทําใจให้เฉยกับมันได้นั่นเองเมื่อเรารับกับสิ่งต่างๆได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใจใจของเราก็จะสงบเป็นนิพพานไปตลอดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านฝึกหัดด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาทําให้ใจของท่านสามารถวางเฉยได้ ใจของพวกเราก็สามารถวางเฉยได้เช่นเดียวกันถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติคือให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีทั้งสองส่วนมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์มีทั้งเจริญและมีทั้งเสือ่อมดังนั้นเราจึงไม่ควรไปยินดีไม่ควรไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะเราสามารถมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรนั่นเอง เพียงแต่ทําใจของเราให้สงบให้เป็นสมาธิให้วางเฉยได้เท่านั้นเองเราก็จะมีความสุขแล้วอยู่คนเดียวมีความสุขยิ่งกว่าอยู่สองคนอยู่สองคนแล้วต้องทะเลาะกันต้องห่วงต้องกังวลกันอยู่คนเดียวไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องห่วงใครขอให้เราใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วต่อไปเราจะสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ และเมื่อเราต้องอยู่คนเดียวเราจะไม่รู้สึกว่าเหว๋หรือเศร้าหมองแต่อย่างใดนี่คือผลที่จะเกิดจากการนำเอาคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติยังขอให้ท่านจงได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา